ความแตกต่างของอาการใจอ่อนใจดำและใจดีการให้โอกาสคนถ้ามากไปเรียกว่าใจอ่อนถ้าน้อยไปเรียกว่าใจดำถ้าพอดีเรียกว่าใจดีอย่าเห็นไปว่าการเป็นคนดีคือต้องทนอยู่กับคนที่เลวกว่าให้ได้ เราพยายามฉุดคนจากปากเหวแต่เขาไม่พยายามตะกายขึ้นมานำซ้ำยังขย่มตัวและลากเราเอาลงเหวไปด้วยอย่างนี้เมื่อไร่หมดแรงเราก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเพราะยังไงเขาก็ต้องร่วงลงไปอยู่ดีถึงจะมีหรือไม่มีเราลงไปด้วยก็ตามท้าขีสงสาร มักให้โอกาสมากไปผลคือส่งเสริมให้คนอื่นก่อบาปสำเร็จโดยง่ายถ้าแลงน้ำใจมักให้โอกาสน้อยไปผลคือไม่เอื้อเฟื้อให้ใครได้แก้ตัวบ้างถ้ารู้จักคนรู้จักจังหวะโอกาสรู้จักสถานการณ์ชั่งน้าหนักไม่ให้มากไปหรือน้อยไปได้ด้วยใจผลคือเป็นคนใจดีอย่างมีสติ มีเงื่อนไขในการเปิดโอกาสไม่จะยอมเปิดทางให้ออกอา่าวเห็นใจคนที่ควรเห็นใจขอโทษคนที่ควรขอโทษคืนดีกับคนที่ควรคืนดีอย่าช่วยคนทั้งน้ําตาอย่ายกทั้งชีวิตให้กับเขาอย่ากระโดดลงไปเป็นห่วงยางให้ใครทั้งที่ตัวเองอยังว่ายน้ำไม่แข็งพอสรุปคือ หัดยืนช่วยอยู่บนฝังให้เป็นถ้าช่วยคนที่ตกทุกข์และคุณมีความสุขไม่ได้ก็ให้ช่วยเหลือตัวเองจนกว่าจะเป็นสุขก่อนไม่อย่างนั้นก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ช่วยใครจริงเลยการไม่คบก็ไม่ได้หมายความว่าไม่พูดจริงๆแล้วแม้เลิกคบก็ยังถนอม น, น้ำใจกันได้มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ เพียงแต่ไม่ไปสูงสิงไม่ควรคลุกคลีตีมงกระทั่งก่อให้เกิดความคิดอกุศลซ้ำซากสังเกตใจตัวเองไปสังเกตใจตัวเองมาจะตาสว่างขึ้นเองว่าแม้แต่คนที่ทํำแย่ๆกับคุณคุณก็หาความสุขจากการทําอะไรดีๆให้เขาได้เสียความรู้สึกดีๆไม่จําเป็นต้องเสียจิตที่เป็นกุศลแค่ยังรักษาความคิด ให้เข้าข้างกุศลได้อยู่ท้ายที่สุดต้องหยุดสารวจใจดีๆว่าที่อันไว้ไม่ครบต่อเป็นเพราะสันดานเข้าไม่ดีหรือว่าเรามีทิฏฐิมานะมากกันแน่ถ้าคิดดีๆแล้วเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะก็ต้องสังเกตว่าการคืนดีกันจัดเป็นความสุขเป็นความโล่งใจเป็นการคืนความสว่าง เพราะลดทิฏฐิมานะได้ครั้งหนึ่งถ้าเห็นข้อดีในการประสานรอยร้าวแต่ยังอัดแน่นด้วยทิฏฐิมานะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าอภัยไม่จริงเพราะการอภัยจริงครอบคลุมถึงการลดทิฏฐิมานะด้วย